หาวิรูปักวิลูปะเขหิเมเมตังเมตังเอลาประเทเหิเมหาวิลูปั ก, กคือพยาวายุพายุนั่นเองโอ้ปีนี้อา่าเท้าวิลูปักรุนแรงเนะเาะอ่าหมู่บ้านที่จะมาอยู่นะี่สามหมู่บ้านพังไปเกือบสองรอหลังคาโดนไหมทางจังหวดัดทางอำเภอไม่สอดโดนไหมโดนพายุไหปีนี้โ อ, โอที่ที่แพ้นี่แรงมากเลยเนาะทางอีสานแรงนั่นอนะ่ะพายุ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 หายใจแค่สองครั้งคือหายใจเข้ากับหายใจออกมีสองอันยามของชีวิตคือยามาสวรรค์ชั้นที่สามชื่อว่าสวรรค์ชั้นยามาเพราะลมหายใจนี้เป็นยามของชีวิตน้ะโบราณอาจารย์จึงเอาลมหายใจมาเป็นอุบายกรรมฐานใช่เลยนะว่าหายใจเข้าว่าพูดหายใจออกว่าโถรือนับก็ได้แต่มันมีแค่สองหายใจเข้าและหายใจออกหายใจลึกและหายใจ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 นังนั้นไปที่ไหนก็นิพานที่นั่นอถ้าใจของเรานิพานใจเราเป็นเย็นเรารู้ได้ไงว่าคนใจเย็นเหมือนต้นไม้ดอกไม้เวลามันเย็นดอกมันจะเป็นไงบานเสพรั่งคนไหนใจเย็นเป็นหน้าจะเป็นไงบานแต่คนไหนใจแย่เป็นไงหน้าเหงาหน้าเศร้าหน้าตุมหน้าหิวเหมือนดอกไม้อะใช่ไหมเวลา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 ไปนิพพานเพราะฉะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นทั้งประตูสวรรค์เป็นทั้งประตูนรกและเป็นทั้งประตูนิพพานเพราะฉะนั้นเคยถามไหมว่าทําไมนิ้วของเราจะมีสามข้อทําไมไม่มีสี่ข้อห้าข้อหกข้อเพราะว่ามือของเราแค่ขันห้าเนี่ยนะมันจะต้องมีสามอย่างนี่แหละนรกสวรรค์นิพพานอยู่ที่นิ้วมือของเรานั่นเองไปบริหารให้ดีกันแล้วกันนะ ธรรมเทศนาวาสาเนีแล้วมั้งนี่เนาะดึกแล้วเนาะก็ <g ül üyor> ขอขอนุโมทนาสาธุความตั้งใจของญาติโ ย, ยมทั้งหลายที่ได้มาฟังธรรมเทศนาเรื่องอภิธรรมยุคไฮเทคกันแล้วกันเนาะเออมันมันต่างจะไปพูดที่อื่นไม่ได้นะทีออ่พระคนนี้พูดนอกตำลานะกล่าวถึพระพุทธเจ้าโอ้โหตรกนรกเอาง่ายๆเนยเนาะแต่ว่าเราพูดในฐานะสมมุติให้